ที่เริ่มฝึกหนักภาวนาออกรุณ า, าปฏิบัติคื่อดำเนินตามที่ท่านแนะนำในหนังสือเียวเรื่องภาวนาเั็นอุปสาระสำคัญของศาสนาแท้คือภาวนาเป็นสำคัญมาก ในหลักศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไว้อันนี้เป็นแก่นี่เป็นรากแก้วของศัสนาก่อนอื่นให้ใจได้รับการอบรมถึงเรื่องศีลธรรมคุณ ง, งามความดีต่างๆหลังจากนั้นอ็อฝึกหัดทางด้านจิตใจทดสอบอารมณ์ ที่เคยเป็นพุทภยัยแจกตนเองมานานแสนนานได้จากความคิดปรงุงต่างๆคือทดสอบด้วยการภาวนาได้จากการสังเกตสอดรู้เมื่อทำความสังเกตอยู่เสมอเราจะค่อยทราบ เรื่องของจิตที่คิดรุมในเรื่อ ง, งต่างๆทั้งที่เป็นคี่เป็นไทยทั้งที่เป็นคุณจะเราได้ดีการฝึกหัดเบื้องต้นก็เหมือนกับเราเริ่มงานงานนั้นเราเป็นงานที่เรายังไม่เคยทําผลก็ยังไม่เคยปรากฏเป็นแต่เพียงว่าเหตุผล เป็นเครื่องบังคับให้ต้องทำงานเราก็ทาตามเหตุผลแต่ความํำงานของงานความเข้าใจงานเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่ำํำนาญผลก็ยังไม่ปรากฏจึงต้องมีการฝืนเป็นธรรมดาของการทำงานในเบื้องต้นเมื่อทำไปนานๆความทนิยธทํางานในงานก็ค่อยปรากฏขึ้นความคล่องแคล่วในงานก็ค่อยเป็นไปโดยลำดับ ผลของงานก็ค่อยปรากฏขึ้นแล้วก็รู้ทิศทางที่จะดำเนินงานหนักเบามากน้อยก็โดยลาดับความหนักใจก็ค่อยเบาลงไปเพราะรู้วิธีที่จะทำงานนั้นๆตลอดถึงผลก็ได้รับโดยลหดับทังด้านแต่พ่ออย่างยิ่งด้านภาวนา ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝืน บ, าบ้างเหตุ <c oughs> ที่จะฝืนเพราะเพราะเราอยากดีผู้ที่มาสอนเราก็คือพระนอกจากพระแล้วนำศาสนามาสอนศาสนาออกมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริง <c oughs> เห็นจริงไม่ได้ตั้งพระองค์เป็นผู้หลอกลวงต้มตุนโลกมนุษย์ แต่เป็นผู้รื้อฟื้นขนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เพราะความงงเงาต่างๆต่างหธรรมที่แสดงออกมาทุกบททุกบาทออกมาจากการพิสูจน์ค้นพบของรพระพุทธเจ้าอย่างแน่พระไทัยแล้วจึงได้ให้นามพระธรรมนั้นว่าสัวขาตธรรมคือตรัสว่าชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยน เป็นความตรงต่อความต่อเหตุต่อผลต่อความเกดความจริงหรือต่อความเป็นจริงทุกแง่ทุกมุมแห่งคำที่แสดงไว้แล้วนั้นพระองค์เป็นผู้รับรองในความบริสุทธิ์แม้พระองค์จะไม่ประกาศว่าพระองค์เป็นผู้รับรองก็ตามความบริสุทธิ์หมดจดในพระไทยที่ทรงค้นพบแล้วนั้นเป็นเครื่องประกาศออกมาเอง ศาสนาธรรมที่ออกมามากน้อยจากพระโอษฐ์ที่ออกมาจากพระไทนั้นก็เป็นศาสนาธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นที่เชื่อถือได้ทุกขั้นแห่งธรรมเราหาความเชื่อถือตามความจริงจากคนนี้หาได้ยากยิ่งสมัยทุกวันนี้มีแต่เรื่องปลอมๆทั้งนั้น หาความสัตย์ความจริงต่อกันไม่รู้สึกว่าหาได้ยากไม่เหมือนกันก่อนเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของมนุษย์มันปลอมไปเลยกลายเป็นมาเรื่องเรื่องมนุษย์ปลอมไปอีกด้วยนี้ศัพท์เจ้าร่างมนุษย์จิตใจปลอมเพราะฉะนั้นทำของจริงหรือคำสัจคำจริงจริงไม่สามารถที่จะสถิตอยู่ในจิตใจที่ปลอมๆนั้นได้ถึงของปลอมอยู่ด้วยกันมันถึงอยู่กันได้ด้วยความสน้า เวาลาระบายออกมาก็ออกมาจากความจาลองของใจผู้ฟังก็พร้อมด้วยการต่างอันต่างปรอมฟังกันก็เชื่อและต้มขุ่นกันไปได้อย่างสะดวกสบายไม่เครียดไม่ลัะในโลกมักจะชอบอย่างนั้นแต่าศาสนาธรรมซึ่งเป็นความจริงไม่มีการหลอกลวงต้มขุ่นกลับทําให้จิตใจห่างเหินหรือไม่อยากจะสนใจประคืบปฏิบัติ เมื่อห่างเหินความจริงแล้วมันก็มีแต่ความจำปลอมเข้าแทรกสิมลึกกุ้งลึกลึกใจรัจะความลำบากลำคาญอยู่เสมอมีเราทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นความจริงจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วจึงควรพิสูจน์ความจำปลอมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนว่ามีมานานเท่าไหร่และจะควรปฏิบัติแก้ไขอย่างไรบ้างความจำปลอมซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์ให้ เกิดขึ้นแก่เราอยู่ไม่แล้วไม่เล่านี้จะได้ค่อยหมดไปโดยลํำดับจะได้มีความผาสุกใจบ้างจากการกระพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั้นเป็นเครื่องที่จะเชื่อชูหรือปลดปรื้งสิ่งที่เป็นภัยให้รับความสุขความสบายขึ้นทางด้านจิตใจโดยลําดับภยทยธรรมจึงไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าสมัยใดธรรมเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เป็นคู่ควรแ จ, จ่ใจ และมีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรจก่ํรคือสามารถที่จะรับธรรมไว้ได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจถ้าใจมันปลอมก็เพราะว่าสิ่งจอมปลอมมันแทรกซึมอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจจงกลายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาครอบความจิต ท, ทั้งหมดหมดทั้งดวงนั้นกลายเป็นของตลอมประามกาันไปหมดจึงทำให้มนุษย์เราเดือดร้อนวุ่นวาย ที่ไหนก็ ม, มีความพลาสุกเย็นใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ทําความพลาสุกเย็นใจให้เกิดจากใครทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าของปลอมเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะกําจัดสิ่งที่ปรองแปลงทั้งหลายนั้นออกให้เหลือแต่แก่นให้เหลือแต่ของดีอยู่ภายใน เพราะอย่างยิ่งการฝึกหัดภาวนาควรจะทำให้เป็ น, ปนล้าเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังพอสมควรเพราะงานอื่นเราเคยทำมาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ใดจนกระทั่งบัดนี้เรายังทำได้หนักเราก็ทำเบาก็ทำผ่านมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะเป็นงานสักสี่ชิ้นแล้วได้ผ่านความหนักเบาวความลำบากลาบนทุกร้อนเพราะงานนั้นๆันมามากมาย่างไร เรายังอุตส่าห์ทนกับงานอนนั้นมาได้แต่เราจะทำจิตกะภ า, าวนาคืองานประเภทคุณสมบัติภายจิตโดยเฉพาะซึ่งเป็นความจำเป็นเป็นงานจำเป็นเช่นเดียวกับงานอื่นสาหรับใจของเราทำไมเราจะทำไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่เราจะแก้กับเรื่องของจิตเดชซึ่งเป็นกลัวหลอกลวงไม่อยากให้เราทำบื้องต้น จิตจะล้มลุกคุ่ครานเพ่อไม่เคยถูกบังคับด้วยอัดด้วยคำถูกบังคับจากจิตเหลดโดยขายเดียวเรื่องของจิเหลดต้องบังคับจิตเสมอบังคับให้ลงทางต่ําเมื่อจิตเราเคยถูกบังคับทั้งทางฝ่ายต่ําแล้วจะฉุดลากขึ้นมาทางฝ่ายสูงคืออัดทำจึงเป็นการยากอยู่เป็นธรรมดนาะยากก็าตามเรา ฝืนเพื่อที่จะชุดล่าจิตใจที่กำลังถูกร่วมรุมอยู่ด้วยพิษภัยทั้งหลายนั้นให้พ้นภัยขึ้นมาโดยลำดับเป็นจิตที่ควรทำอย่างยิ่งสาหรับเราผู้หวังความสุขความจเจริยท่านผู้ใดมีความสนใจหรือมีเจตหนิสัยชอบในธรรมบทใดกรุณานำธรรมบทนั้นไปบริกรรมคำว่า ถูกกับเจดีย์นิสัยนั้นได้แต่เวลาเรากําหนดนําบททำบทนั้นมาบริกรรมทดสอบดูจะมีความรู้สึกเบาในภายในจิตใจหรือล่องแฉะภายในจิตไม่หนักหน่วงนี่คือว่าถูกกับเจดีย์ขางเราเช่นพุทโธเป็นตน้นถูกแล้วก็พึงนำํำทำบทนั้นมากํากับกับใจทําไมจึงต้องได้กํานําคําบริกรรมมากํากับใจ คือปกติของใจนั้นมีแต่ความรู้แล้วไม่ทราบว่ารู้รู้อย่างไงลักษณะความรู้นั้นเป็นอย่างไงตัวความรู้แท้เป็นอย่างไรเราไม่สามารถจะทราบได้ทราบได้แต่วรู้เท่านั้นรู้อยู่หมดทั้งสนับพรางกายแต่จับเอาตัวรู้จริงๆซึ่งเป็นทั้งตัวสําคัญเราจับไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงต้องถ้าเราจะเทียบภายนอกก็เหมือนเขาตกเบ็ดเอาปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดเฉยๆปลามันก็ไม่กินเบ็ดต้องมีเหยื่อลอดด้วย เอาเหยื่อล่อเพื่อให้ตามันกินเบ็ดเราต้องการปลาเราไม่เราไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเหยื่อเรามุ่งหวังจะเอาปลาต่างหากจึงต้องหาเหยื่อมาล่อหรืติ ด, ดกับตาเด็ดแล้วให้ตาเห็นเขาก็กินเพราะเข้าใจว่าเป็นอาหารนี่เป็นข้อเทียบเคียงแล้วคําว่าพุโทโธก็ดีธรรมโอ้ก็ดีมมดสังโฆก็ดีหรือคําบริกรรมบทใดก็ตามนีม่เป็นเหมือนกับเหยื่อ อ, อันนึง่งสำหรับ ลอดจิตหรือเหมือนกับเชื่อมาจจิให้จิตอาศัยอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆด้วยความมีสติเกิดต่ออยู่เสมอไม่ให้คลาดจากกันแต่กาหนดพุดโทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุโทโธสืบเนื่องกันไปเป็ น, นลําดับลําับเมื่อจิตใจได้ทํางานในหน้าที่อันเดียวไม่มีสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือจิตไม่ได้เล็ดลอดออกไปคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นร่องควรจิตใจให้เกิดความเครื่องซ่านวุ่นวายจิตก็จะสงบตัวลงไป เพราะอาศัยคำโรยกรรมเป็นเครื่องมือปูมกมัดไว้โดยสม่ำเสมอกระแสะของจิตที่สร้างไปสถานที่หรืออาการต่างๆหรือว่าอารมณ์ต่างๆก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งพุทโธแห่งเดียวเลยกลายเป็นจุดพุู้ที่เด่นชัดขึ้นมาภายในใจเมื่อใจมีความสงบด้วยอุบายอย่างนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขถึงเกิดขึ้นจากความสงบ นี่เรียกว่าเราได้ผลงานคือการภาวนางานภาวนาของเราเริ่มได้ผลแล้วได้ผลเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสุขและ้สุขละเอียดอ่อนเข้าไปตามลำดับแห่งความสงบขึ้นนี้มากน้อยนี่เป็นผลเครื่องจะยังจิตใงเราให้ดูดดื่มหรือหรือเป็นพยานเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องอบอุ่นของใจ ย้เมื่อได้รับผลปรากฏเป็นที่ถึงพอใจเชนนี้จะมีความภาคเพียนจะมีความเชื่อมั่นต่อผลจะเป็นรายละเอียดยิ่งกว่านี้ก็ตามก็มีอย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะเท่าที่ปรากฏนี้ก็เป็นที่พึงใจยอยู่แล้วยิ่งได้ทำภาวนาให้มีความละเอียดเข้ามากเข้าเพียงไรผลที่เป็นความละเอียดสุก ข, ขุมก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นเดิมลำนี่้เป็นเชื่อแห่งความเชื่อความเบื่นไส ในพรศาสนาหรือความเชื่อต่องานของตนที่จะพึงบึกบืนหรือพยายามไปโดยลาดับเมื่อจิตได้รับความโศบเป็นครั้งหนึ่งแล้วเห็นกระจัดต่อไปความขยันหมั่นเพียรความสนใจต่องานของเราที่เคยทำนี้จะค่อยเด่นขึ้นโดยลำดับไม่ค่อยจะถูกบังคับบังชาอะไมากนะแต่ประการสาคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแล้ว คือขณะที่ผลปรากฏขึ้นแล้วในวันนี้หรือในข่าวนี้ข่าวต่อไปอยาได้ไปคาดไปหมายอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วนั้นและยาได้ถือนั้นมาเป็นอารมณ์ในขณะเราจะทำภาวนาในวาระต่อไปให้ตั้งหน้าตั้งตาทำตามหน้าที่หรือตามงานของเราที่เคยทำอย่างที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องคาดผล ว่าจะเป็นอย่างไรเลยเมื่อสติความรับรู้สืบต่ออยู่กับคําบริกรรมความรู้สึกของเราก็สืบต่ออยู่กับคําบริกรรมเป็นลําดับนั่นแหละคืองานที่เราทําโดยถูกต้องแล้วแล้วผลจะปรากฏขึ้นมากับงานนั้นเช่นเดียวกับที่เคยปรากฏมาแล้วและยิ่งกว่านั้นแตโดยลําดับนี่คือผลที่เกิดขึ้ น, นจากการภาวนาเป็นอย่างนี้ ความสุขใดก็ตามไม่เหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทางใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตติสันติปรังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนี้ไม่มีคําว่าอย่างนี้เริ่มไปตั้งแต่ความสงบในเบื้องตน้นจนกระทั่งถึงสันติคือความสงบในวาระสุดท้ายได้แก่ความสงบราบภาพแห่งจิตที่ไม่มีกิเลส แม้น้อยหนึ่งเขาไปเกลือปนภายในจิตใจหรือไปแทรกเข็มภายในจิตใจเลยได้เกิจิตของปรารหันก็เรียกว่านักติสันติประหลังสุ ข, ขังเช่นเดียวกันเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตหรือเป็นสัญญสัชาตยานอันหนึ่งก็ได้มุ่งหาความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่ายิงว่าชายไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหน มีความรู้สึกอยู่เช่นนี้มีความหวังอยู่เช่นนี้หวังต้องจะได้ความสุขความเจริญแต่แล้วทำไมโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความรุ้มร้อนวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เต็มจิตใจและร่างกายของตัดโลกแล้วทำไมจึงไม่เจอความสุขดังที่มุ่งหมายบ้างไม่มากก็น้อยเพราะเหตุอะไรก็เพราะว่าเส้นหาความสุขไม่ไม่ถูกตุกอันเป็นที่พึงพอใจ ความสุขที่เราแสดงหาทั้งหลายนั้นจึงเป็นแต่เพียงมโนภาพที่วาดไปแล้วก็ก่อความกังวลให้ตนและเมื่อปรารถนาไม่สมหวังแล้วก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้แต่ตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสมหวังจึงควรดําเนินตามศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วซึ่งความสุขเห็นความสุขประจักษ์พระไทยแล้วและประกาศสอนโลกเราดําเนินตามหลักอาสนธรรม ในด้านกิจกรรมภาวนาเป็นต้นเพื่อให้จิตใจได้รับความสงบถ้าทําถูกตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าความสุขนี้จะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรภายในจิตใจที่สงบตัวขึ้นมาเพราะการทําถูกต้องต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสจิตเป็นธรรมชาติกลางๆไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยอะไรทั้งนั้นมีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ การแสดงหาความสุขทางใจแสงหาอย่างนี้วนทวนภายนอกเราก็พอทราบกันเพราะเราเคยเสองแสงเคยได้อาศัยสิ่ง น, นั้นมาแล้วอันนี้ทางใครก็เข้าใจไม่จาเป็นต้องแนะนำต่างสอนกันอีสาคัญก็คือการสาอแสงหาความสุขทางหน้าจิตใจอันเป็นหลักสำคัญในร่างกายและจิตจิตใจเราเราควรจะสองแสงหาวิธีใดถึงจะเจอความสุขหิตใจที่เจอความสุขย่อมไม่ปัดแปลง ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหื่มมีความสงบตัวอยู่เป็นปกติจะอยู่ในอียาบดไดก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสวยงามด้วยความสงบไม่ยิ่งเจ็บเพ่นกระโดดผีพานจิตใจเพราะไม่มีอะไรควรใจเนื่องจากความสงบเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้รับความสุขความชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเราควรจะสะแสวงหา ให้เห็นให้เจอความสุขบ้างไม่มากก็น้อยทางทางด้านจิตใจ ย, ยากก็ทนบ้างข้องานไม่ว่างานไหนต้องฝืนความยุ่งยากต้องฝืนความลาบากต้องฝืนทุกบ้างเป็นธรรมดาเมื่อพอฝืนได้นอกจากมรรสุภิสยัยฝืนไม่ได้ก็จําเป็นด้วยกันไม่ว่างานนอกงานไหนงานนอกได้แต่งานต่างๆงานในได้แต่งานกิจกรภาว น, นาต้องมีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาด้วยกันพระพุทธเจ้า ก็เป็นองค์ภพยานสำคัญแล้วในเรื่องความทุกข์ความทรามานเกีย่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญพระองค์ก่อนจะได้จัดสรูปรากฏว่าสลบไปไหถึงสามหนตังดิวยคำว่าสลบก็คือว่าตายแล้วฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็ไปเลยจะทุกข์ขนาดไหนถึงจะต้องถึงขั้นสลบถ้าไม่ทุกข์มากจะสลบได้อย่างไรคนเราต้องถึงขนาดสลบได้เรียกว่ารอดตายอ่าพูดยังไงนี่ ครูของเราท่านดำเมิน อ, อย่างนี้เพราะศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาเพื่อล้างมือเปิดเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลเหตุ ด, ดีผลดีการทาเหตุได้มากน้อยผลปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทำนั้นไม่ทําเลยผลจะปรากฏมาอย่างไรแต่ความต้องการของเราต้องการความถูกความเจริญความถูกความต้องหวังด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหัวใจใดเราจะนํำสิ่งใดมาเป็นเครื่องสนองความต้องการอันนี้ให้สมความมุ่งมากปรารถนาเรานอกจากเราจะทําในสิ่งที่ ชอบอันเป็นทางเดินด้วยความถูกต้องเพื่อความสมหวังนั้นจะได้สําเร็จไปโดยลําดับจนกระทั่งสําเร็จโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในวารานี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะบําเพ็ญทางหน้าจิตใจอันเป็นจุดที่หมายสําคัญของเราให้จะให้เกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในจิตใจของตอนเองด้วยจิตตะภาวนาเหนื่อยบ้างก็ทนเอาจิตมันเคยบ้าแวกความแทน เคยคิดน้นตรงนี้บังคับไว้บัง่งการที่เราปล่อยตามจิตคิดไปในแง่ต่างๆตามอารมณ์ของจใจนั้นเกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากเจ้าเที่ยกว่านเอาความทุกข์ความร้อนอารมณ์ต่างๆเข้ามาเผาร้นจิจนตจใงจนให้เกิดความเดือดร้อนวาอยู่ไม่ขาดว่ากาตตอนทางนั้นก็ไม่เห็นผลดีอันใดที่เกิดขึ้นจากการตรอ่อใจไปตามลำพังของมันเห็การฝื้นจิตการทรมานจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆที่เป็น ยาพิษยาภัยมาขอตนด้วยอาจรมอันจะนำความสุขมาให้นี้ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทำได้เพราะเราทราบทางเหตุผลอยู่แล้วว่านี่เราสุขผลทรมานเพื่อหาความสุขเพื่อเอาความสุขเพื่อให้จิตใจของเราดีมีความเป็นสุขด้วยการฝึกการทรมานเพราะพุทธเจ้าก็เคยฝึกมาแล้วจนฉลบทลายชาวโลกท่านได้ฝึกมาแล้วทรมานมาแล้วต้องเป็นผู้ผ่านทุกมาแล้วด้วยการท่านถึงได้รับความสุขอันสมหลัง เราไม่ต้องพันอะไรเลยจะเอาความสูงทมังเลยก็รู้สึกมันจะเกินเกินครูไปถึงควรดํานเนินตามน่องอยของครูว่าพุทธทางธรรมขั้งทางสนาฉา ม, าถา ม, าถามีถ้านดำเนินยังไงก็ควรดำเนินอย่างนั้นหนักบ้างเบาบ้างทุกข์ยากลําบากบ้างก็ทนเอาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทุกโดยกานนั่นแหละให้อยู่ที่ไหนก็โทกแต่การบําเพ็ญตามหลัก ทรรคือเหตุผลล้วนๆนั้นเป็นทางที่จะให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับซึ่งเป็นจิตที่เราควรสนใจการท่องเที่ยวนว้ำตาลตรงสารด้วยความร่มความจมความทุกข์ความทรมานนั้นเราต้องการกันมากหรือผลที่เกิดขึ้นเช่นั้นเพราะการปล่อยตัวผลเกิดขึ้นเชนั้นเพราะความอ่อนแอเพราะความไม่สนใจในในหลักเกณฑ์ที่จะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาจึงมีแต่ความทุกข์เผารนอยู่ทุกชาติทุกภพ ตั้งกับตั้งการนับไม่ส่วนเป็นสิ่งที่สารโลกลายไหนๆก็ถามไม่ต้องการทั้กันทั้งนั้นแต่ทําไมเราจะเป็นผู้ไปเจอโอสินานั้นเพราะความไม่เอาไหนของใจสมควรนะเหรอนี่ปัญหาตั้งถามตัวเองเป็นอุบายของปัญญาที่จะปราบปรามพิเดชที่มันหลอกเราทุกข์เราก็ต้องทนกับทุกข์ในทางที่ดีทนบ้าง จิตนี้ถูกกิเลสครอบงามานานอะไรๆก็เป็นไปตามกิเลดทั้งหมดทําแทรกเขาไม่ได้เลยแล้วเวลานี้กําลังพยายามจะเอาทําแทรกผทานๆอจิตใจเพื่อฉุดล่าจิตใจที่กําลังมีคุณค่าอยู่แต่อะเพราะจิตด้วยมีคุณค่าครอบงามเสียจิจยิงหาคุณค่ามาได้นั้นถอยออกมาเพื่อให้มีคุณค่าด้วยธรรมเราฝึกจิตเพื่อมีคุณค่า แต่ทุกยากลาบากก็เพื่อคุณเพื่อคุณค่าของใจทําไมจะจะลาบากลำบน่นเราต้องหา อ, อุบายแก้เราให้ได้เให้ อ, อุบายแห่งความฉลาดของปัญญาแก้ตัวอย่างนี้เราจะให้เสียทีวันคืนกีเดือนกินไปทุกวันทุกวันชีวิตใครจะมีมากน้อยเพียงไรก็าตามวินาทีกินไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปกินทุกวี่ทุกวันทุกวันร่ำเวลาดับตื่นนืมตากินไปตลอดสายแล้วจะมีอายุจะกี่ล้านปีก็ก็เถอะ เพราะอำนาจแห่งกินกันอยู่เสมออยู่ไม่หยุดไม่ถอยเนี่ยมันหมดไปได้เนมันจะเหลือได้ยังไงเป็นนั่นน้านก็เถอะเพราะความกินอยู่เสมอเวลานาทีกินไปเรื่อยกินไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็ถึงจุดหมายแต่ทางเองมันถึงจุดที่หมายเองสลายหรือทาลายไปได้เนี่เวลานี้มันยังไม่หมดเขากินไปทุกวันทุกเวลาแต่ยังเหลืออยู่ที่พอเราจะได้แบ่งทํากุญงามความดีหาสาระเป็นที่พึ่งของใจเรา ได้ในขณะนี้เึงควรตื่นตัวตายแล้วถึงตื่นตัวมันตื่นไม่ได้จึงเรียกว่าคนตายตายแล้วไปหาทำบุญนําทานที่ไหนทําไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้นอกจากจะสร้อยผลที่เราทําแล้วต้งแต่ความเป็นมนุษย์อย่านี้เท่านั้นเราต้องคาดปัญญาของเร า, าให้ไกลกว่ากิเลสกิเลสไม่คาดอะไรละจะให้ได้อย่างไใจอย่างใ จ, อ ย, งใจอย่างใจเป็นที่พอ ให้อยู่อยูรด้วยความสนุกสนานดื่นเริงอยู่ตามใจก็พอแล้วมันสนุกสนานที่ไหนมันดื่นเริงที่ไหนพลิกของกิเลสมันทําคนให้ดื่นเริงให้มีความสะดวกสบายที่ไหนมีแต่บีบคั้นจิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาเท่านั้นถ้ามาเห็นโทษของมันก็จะต้องถูกมันกดขี่บังคับอยู่ตลอดไปถ้าเห็นโทษของมันทําจะแทรกข้อพายจิตใจได้เราก็จะกลายเป็นผู้มีสาระขึ้นมา การทำคุณงามความดีทั้งหมดนี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจหรือเป็นเครื่องอุ่นใจหรือเป็นหลักของใจให้ใจได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เมื่อใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีใจเป็นทําเป็นเครื่องอาศัยแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะมีหลักอันถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดทำโมหะเวรคติธรรมใจพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะ ธรรมะที่ชั่วก็คือที่ไม่พึงปราถนานั่นเองความทุกข์ความร้อนความลําบากลาบนอะไรสิ่งที่ไม่พึงปราถนาอยู่ในที่นั่นหมอดอที่ชั่วนั้นหมดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ได้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นการที่ทําจะรักษาเราไม่ตกไปในที่ชั่วเราต้องเป็นผู้รักษาธรรมรักษาตัวของเราด้วยความการบําเพ็ญความดีทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายได้บําเพ็ญอยู่เวลานี้นี่คือว่าเรารักษาธรรม เมื่อเรารักษาทำทำก็รักษาเราเหมือนอย่างบ้านเรือนที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยปลูกขึ้นมาแล้วก็ให้ความร่มเย็นและความปลอดภัยแก่เราตลอดมาดังที่เราเห็นลูกๆกันอยู่นี่ถ้าเราไม่ปลูกใครจะปลูกขึ้นเราต้องเป็นผู้ปลูกเองแล้วบ้านเรือนก็ให้ความปลอดภัยแก่เราเองที่เราสร้างทำขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วทำก็เป็นผลให้รับความสุขความสบายอยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุข ไปเกิดในภพกายชาติใดก็ตามผู้ขึ้นชื่อว่าผู้มีธรรมภายในใจและบำเพ็ญกุณณาความดีไว้ในใจแล้วก็เท่ากับไปสไว้ผลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นปัจจัยมีท่านศึกษาภาวนานะในเบื้องต้นพยายามทําจิตของเราให้สงบพอจิตสงบเท่านั้นผลแห่งการภาวนาเป็นอย่างไรเราไม่ต้องถามจะทราบภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญด้วยกันทั้งนั้น เพราะคำว่าสันติปิโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองวย่งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้ให้กับผู้ปฏิบัติด้วยกันเสมอกันทุกหลางจะพึงได้รับผลที่ตนผู้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรตามกำลังของตนในทางการนั้นเรื่องสมาธิคือความสงบภายในใจสงบจากอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลาย เรียกว่าสงบเมื่อไม่มีอะไรก่อขวนถ้าเป็นน้ําก็ใสาสะอาดจิตใจก็ผ่องใสอตาไม่าจากอารมณ์เครื่องสิ่งที่คิดปรุงแตกก่งต่างๆเป็นเครื่องขวนใจใจย่อมสงบแ น, แน่วแน่มีความสุขสุขอย่างละเอียดละออมีความสงบมากเพียงไหรความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้ยิ่งละเอียดสุขผมมากขึ้นจนกลายเป็นความความสุขที่น่าอาศัศจรรย์ หรือเป็นความสุขที่อัศรจรรย์เพียงขั้นแห่งความสงบคือสมาธิเท่านั้นก็แสดงผลใหผู้ปฏิบัติถึงแล้วประจักษ์ใจมีขั้นสมาธิที่นี่ขั้นขั้ น, บบ น, น ป, นปนนนนัญญาที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายที่สมาธิรวมตัวกิเลสทั้งหลายเข้ามาสู่จิตเดี๋ยวมามาัมาด ONE ไว้ครับจิตที่นี้จะเริ่มฆ่าแล้วที่นี่ฆ่าด้วยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าเพียว ฟาดฟันหันแหลกพิเดลลงไปจิตมันมีความขัดข้องยุ่งเหยิงริบติดพันอยู่กับสินไดรักสินได้โสดสินใด้เปียกสินไดอมาแยกมาขยายพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแต่พอย่างยิ่งคือธาตุคือขันตั้งแต่วันเกิดมาอันนี้เป็นคลองทุกข์ด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วกระทั่งถึงวันตายเราพิจารณาให้เห็นชัดคําว่าอนนี้จังคืออะไรเราเห็นแต่ในคัมพี์แบรนทัางเขียนไว้ว่าอันนี้จังอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังตามความเป็นจริงที่กระทกกระเทืนเราอยู่ ทุกวี่ทุกวันทุกวเวลาเวลาก็คืออนิจจังของร่างกายนี่เองอะไรแปรสภาพผิดปกติมันก็กระเทืนจิตใจเราเรีย ก, ว, ยกว่าไม่สบายเน่ท่านมันแสดงมากมันไม่สบายทุกขงังหาามายคำว่าอะไรทุกข์มันก็ต้กระเทือนในสร้างการในจิตใจของเรานี่ย น, นิรัตตามีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้บ้างเรากําหนดดูตามอวัยวะต่างๆจะเป็นส่วนใดก็ต่าง ม, มันเป็นตามความจริงของมันทั้งนั้นรวมตัว จากการผสมเข้ามาเขาเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลโดยที่มีใจเข้าไปครองตัวหญิงนั้นเป็นเจ้าของก็ ว, ว่าเราว่าของเร า, าหญิงว่าชายความจริงก็คือธาตุคือขันอาญานะเป็นเครื่องมือของจิตที่ใช้อยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดกําลังแล้วก็สลายตัวลงไปคําว่าสลายตัวลงไปนั้นไม่ใช่ตายที่โลกสมมุติให้ชื่อกันว่าตายร่างกายที่มันตายจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ ที่พิโลกสมมุติว่าเป็นสัตบุคคลนี้ลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟใจก็ออกเป็นใจตามเดิมเพราะใจเป็นใจอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ใดเป็นเพียงมาอาศัยเขาอยู่เพราะตนไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองและเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คือธาตุคือขันเกิดพบนัน่นตายพบนี้อยู่เรื่อยๆนี่เพราะจิตยังไม่สามารถช่วยตัวเองจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องอาศัยอะไรได้ <c oughs> ถึงเมื่อปัญญาและพิจารณาตามเหตุตามผล ตามธาตุตามขันตลอดถึงความคิดความตรุงของจิตให้เห็นว่าเป็นสาภาพอนิจจังทุกขังอัตตาด้วยกันประจักษ์ด้วยปัญญาลงไปโดยลํำดับลํำดับความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดเพราะนั่นเป็นเรานั้นนี้เป็นของเราในอาการใดก็ตามมันก็าาถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาคือปล่อยกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์นันต์แลล่ทะเนียกอุปทานเครื่องยึดมั่นถือมั่นมันกดท่วงจิตใจของของเราไม่ใช่น้อยให้รับความทุกข์ความลําบากเพราะอุปทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาสอดแทรกให้เห็นตามความจริงแล้วย่อมถอน สิ่งเ น, นี้ความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาได้เป็นลําดับลําดับนี่ถอนเข้ามาจกนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในยจิตกําหนดเข้าไปจนกรทั่งถึงจิตเพื่อของกิเลรตนตนาสมมารวมตัวอยู่ภายในยจิตดวงเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นตัดทั้งหมดแล้วไปยึดถือในส่วนใดอาการใดปัญญาสอดแทรกเข้าไปตัดขาดไปโดยลําดับลําดับพิเรนไม่มีที่อยู่วิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในยจิต ปัญญาตางเข้าไปในจิตพิจารณาค้นคว้าเห็นตามหลักใินทงชุกขณาตาเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั่วไปจนกระตั้งถึงจิตเดือดทนไม่ไหวแต่กระจายออกจาก จ, จิตนี่เรียกว่าทําลายภพชาติเชื่อของพวกของชาติมันอยู่ในจิตมันอยู่ในใจถอดถอนองค์ได้โดยสิ่งเชงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือจิตเป็นอิสระแล้วไม่ต้องไป อ, อาศัอะไรอีกต่อไปเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บ่ังตายที่ เป็นปัจฉาประจำสัตว์สั้งขันในตัวของเราเองที่เคยเป็นมานั้นเป็นเอามาหมดปัญหากันพอจิตพอตัวแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งหมดนี่คือความสุขอันสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้มาจากาศาสนธรรมมาเป็นเครื่องมือทผู้ปฏิบัติในทางมรแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือความสุขอันสุขขุมละเอียดเนิพพานังปรามังสุ ข, ขัง มีพานเป็นสุขอย่างยิง่งสมาธงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นความสุขอย่างยิงย่งไม่มีอันใหนเส ม, มอเหมือนเลยมีมีคุณค่าเพียงไหลจิตดวงนี้แหละดวงที่ถูกสิ่งไม่มีคุณค่าสิ่งที่จำปลอมสิ่งที่โสกโตกโส ม, มทั้งหลายมันครอบนำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเมื่อชำระสิ่งโสกโตกทั้งหลายสิ่งไม่มีคุณค่าทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลําดับจิต ก, ก็กลายเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมีคุณค่าด่าเต็มภูมิถึงขั้นนิสุทธิมรรคเรียกว่า ถึงการวิสุทธิจิตเป็นจิตที่สมบูรณ์เต็มภูมิไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งหมดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านที่ไปไม่เกิดที่ไหนแล้วก็ไม่ตายที่ไหนอีกด้วยเพราะมีคือคือช้าเนี่ยคือความเกิดความตายก็ไม่มีแล้วมีการจับจองปัจฉาปัจฉาจะมีในตัวงเราได้อย่างไรไม่มีเกิดความตายจะมีได้อย่งไรนี่คือจิตที่พอตัวแล้วไม่ต้องอาศัยอะไรเลยตอนที่มันยังอาศัยอยู่เพราะยังไม่สามารถขึ้นตัวเองนี้ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องพยุงฉะนั้นการสร้างผล ง, งานความดีสําหรับ เราเองผู้มีความรับปิดเข้าในตัวเราจรึงเป็นความจําเป็นอยู่ตลอดไปถ้ายังจะต้องเที่อในวัตตาสงสารกราบใดบุญงามความดีซึ่งเป็นเครื่องครื่องพิงอิงอาศัยจึงต้องเป็นความจําเป็นอยู่กาบนั้นดางขอให้ท่านทั้งหลายจึงเป็นพุทธบริษัทได้นําปฏิญนิทที่เจริญแล้วประพฤตปฏิบัติตนอย่าไดมีความกระหม่อนอนใจเรื่องชีวิสังขารร่างกายไม่มีกฎมีเกณฑ์ดับตายเมื่อไหร่ก็ได้แตกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ไม่มีอะไรมันเนี๊ยมหน้าเหนือสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นเราเมื่อไม่ประมาทคุณงามความดีที่ควรจะตักตวงเอาเสียตั้งแต่บัด น, นี้จะไม่ได้เสียท่าเสียทีไม่เดือดร้อนในภายหลังดูก็เป็นสูกตาได้ก็เป็นสุกไม่มีอะไรเดือดร้อนจึงขอยุติเพียงเท่านี้